สิทค้าบทที่7เรื่องพระชัพขี6กรสสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคกุธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินธิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพวกพิสูจน์ฉักรีรับบินทบาทโดยไม่ให้ความสำคัญทำทีเหมือนจะทิ้งพระบัญญัติ7พึงทำความสำเนียกว่าเราจะรับบิทบาทโดยเคารพเรื่องพระชับีจบ สิกขาบทวิพังภิสูุเพึงรับบิณฑบาตโดยเคารพภิกษุใดไม่เอื้อเฟื้อรับบิณฑบาตโดยไม่เคารพทำเหมือนจะทิ้งต้องอาบัติทุกกฎหน้าปฏิวัติพิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1. นพิสูตไม่จงใจสองพิสูุไม่มีสติ3าพิสูุผู้ไม่รู้4ีพิกษุผู้เป็นไข้5้พิสูตผู้มีเหตุขัดข้อง6กพิกษุวิกลจริต7จพิสูุต้นบัญญัติสิกขาบทที่7จบ